บทภาชณีติกะปาจิตตีห้าสอนุปสัมบันิภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันินอนร่วมกันเกิน2อถึงสคืนต้องอบัติปาจิตตีอนุปสัมบันิภิกษุไม่แน่ใจนอนร่วมกันเกิน2อถึงสคืนต้องอบัตตปาจิตตีอนุปสัมบันิภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันินอนร่วมกันเกิน2อถึงสคืนต้องอบัตตปาจิตตีติกะทุกกฎ ที่นอนมีเครื่องบ่งแล้วครึ่งเดียวมีเครื่องบงังครึ่งเดียวต้องอบัตทุกกฎอุปสมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสมบันต้องอบัตทุกกฎอุปสมบันภิกษุไม่แน่ใจนอนร่วมกันเกินสองถึงสามคืนต้องอบัตทุกกฎอุปสมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสมบันนอนร่วมกันเกินสอถึงสาคืนไม่ต้องอบัต